เซขาปฏิปทาสนทยาธรรมิกถาวันที่9มกราคมพศ2547เรื่องจารณะสิบห้าตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย สั่น่าสังเเป็นสี่อาประกปฏิปทามีอะไรบ้างไม่ใช่ตั้งแต่พระเม น, นะท่านยมด้วยนะเพราะหลักเสขขปฏิปทานี้ท่านแสดงให้แกยมฟังครั้งแรกเพราะพระเน่จะต้องทำอย่างเป็นประจำยู่แล้วเพื่อเป็นสิริมงคลนั้นสูงสุดแกกับศัตว์สาก็จะอันเป็นบ้านญาติของผู้ที่เก้า อะไรเหรอพ่ะย่ะอนุมัสดงเรื่องนี้อปันญากับปฏิปทาสามแปลว่าข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดที่แน่นอนที่สดไม่มีผิ ด, ไ ม, มผดไม่มีพลาดใครจะบอกหรือไม่บอกก็ตามถ้าทําตามนี้ปัจจุบันนี้ก็ดีอนาคตก็ดีอดีกก็ดีไม่ผิดคือตัวอปันญากับปฏิปทาสามหนึ่ง อินทรีสังวรคุ้มครองทาวารทั้งหกตาหูจมูลิ้งกายใจเมื่อได้กระทบเมื่อได้สัมผสัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะการกระทบทางกายและสัมผสัสอารมณ์ทางใจไม่ให้วานไหวไปตามอารมณ์เหล่านั้นให้รู้เท่าทันมีสติสัมปชัญญะอยคุ้มครองอยู่ย ทิฏเตที่จะมัตตังภวิสติได้เห็นก็สักแต่ว่าเห็นจบสุตเตสุตมัตตังภวิสติได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินจบจังเพียงแค่นั้นอย่าเลยไปถึงน่ารักน่าชังมุตเตมุตมัตมัตตังภวิสติได้ศบทราบเพียงแต่กระทบทางจมูก ทางลิ้นทางกายก็มันจบลงเพียงแค่นั้นอย่าเลยเถิดไปถึงน่ารักน่าชังมันจะกลายเป็นกระแสแห่งตัณหามุนติว้วท่านจึงบอกคุ้มคลองถาวานันเมื่อยามคิดความคิดมันมั น, ม, นมันดูยากนะมื่อเหมือนเสียงเมื่อเหมือนดุก๊กก็มันจบลงเพียงแค่นั้นวิญญาเตวิญญาตามัตต์ต่างพภพิสติ แต่รู้แจ้งสแต่ว่ารู้แจ้งพอตัวรู้มันอยู่ที่ใจแต่ใจรู้แล้วมันจบอย่าไปเลยเถอดไปถึงความรักความทังความพอใจไม่พอใจมันจบกันเพียแค่นั้นหันนั้นจกไปเลยอันนี้ข้อหนึ่งของจรณะนะซึ่งเราจะต้องพูดกันอีกอกนานในเรื่องนี้ต้องมีอุบายชัดเจนข้อที่สองเอาละทีนี้ มันจะต้องปฏิบัติจริงเก่ข้อที่สองโพชเนมัตตันยุต e ารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารใช้สอยวัตถุสิ่งของให้พอดียิ่งยุคนี้เขาเรียกว่ายุคบริโภคนิยมคอนซูเมอร์อิซึม แล้วที่บริโภคนี่เจ้าเมื่อเมื่อเจริญทั้งพอมาด้วยวัตถุแล้วบริโภคแล้วก็มีปัญหาไปทั่วโลกพระสงฆ์เนี่ยท่านสอนเป็นประจำเรื่องบริโภคและผู้ปฏิบัติตามเสคขปฏิปัิฐาเมื่อเช้าเราตักอาหารพอดีไหมหรือเหลือหรือไม่พอผมมีความเข้าใจว่าเมื่อเช้า วันนี้น่าจะเหลือเยอะเพราะเป็นวันแรกที่เรามาเริ่มฝึกวันแรกเนี่ยมันมันยังไม่ลงตัวดอกพรุ่งนี้ยังไม่ลงมะลืนนี้แหละจะลงเมื่อช้าในสายด้วยแสดงธรรมสมโภชนยะกถาก็สายกว่าจะตักได้กว่าจะช้าก็ประมาณสักสิบเอ็ดโมงทงก็คงจะยากเห็นเมื่อของดีๆเนาะก็เลยเอามากเต็มบาทเลยไม่ใช่โพยจะในเาตังจิตาม กลายเป็นโพชเนีมื่อตอนยุตตาบอาบาดเป็นประมาณในการบริโภคบริโภคไปบริโภคมามันก็นเหลือเหลือก็เป็นส่วนเฟอเป็นส่วนเกินเมือ่อไม่ว่าเราจะผลิตหรือเราจะบริโภคในความเห็นของมนุษย์การผิต ก, ก็ดีการบริโภคก็เีไมองว่าเป็นการสร้างสรรค์แต่ในสภาวะของธรรมชาติ การผลิตและการบริโภคก็คือการทำลายยิ่งบริโภคมากก็ยิ่งทำลายมากยิ่งผลิตมากก็ยิ่งผลิตมาทำลายผลิตมามากผลิตมาเพื่อสนองต่อผู้บริโภคมากนี่คือความคิดใจของเศรษฐศาสตร์เขาทุกวันนี้หลักของเศรษฐศาสตร์เขาอีกคนนึ่งสอกไซแอนเข้ามาอย่างนี้เขาบอกว่าต้องสร้างกระแสค่านิยมความอยากบริโภคให้มาก โฆษณาให้ดีๆให้เข้าเป้าเมือ่อเมื่อเข้าใจของคนปาธนาแล้วคนจะซื้อคนจะบริโภคกําลังซื้อจะมากเมื่อซื้อมาบริโภคมากก็จะต้องผลิตมากก็ได้ราคามากเศรษฐกิจดีในเมื่อเศรษฐกิจดีเดียมันไปทําลายธรรมชาติทำลายสภาพแวดลอ้อมในที่สุดเดี๋ยวนี้ก็เลยเรียกร้องหาที่นี้โลกทั้งโลก กำลังเรีกรองหาระบบนิเวศที่เขาเรียกว่าอีโคโนโมิคคือคือระบบเศรษฐกิจนี้จะต้องมีคู่จะต้องแต่งงานจะอีโคโนโมิคจะต้องมามาอีโคโลยีอีโคโนโมิกกับอีโคโลยีต้องมาด้วยกันเขาเรียรองหาคือระบบเศรษฐกิจมีนผิตมากบริโภคมากทำลายมากและจะไปทำลายระบบ อีโคโลยีกันซิสเต็มคือระบบนิเวศนิเวศนิเวศนิเวศอ่นนิเวศนิเวศเนี่ยเราก็เข้าใจหน่อยนะที่เขาเรียกว่าเศรษฐกิจและระบบนิเวศจะต้องอยู่ด้วยกันได้อะไรคือตัวระบบนิเวศพูดไม่ได้พูดม่นานแล้วนไม่ไม่ใช่เพิ่อจะพูดอยีกงีนะนิเวศนังเป็นภาษาบาลีแปลว่าแอบอิงอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นมง ระบบชีวิตมายมากหลากหลายอาศัยกันอยู่ในระบบสิ่งแวดล้อมเดียวกันอย่าไปทำลายให้มันกระทบกระเทือนกันพระอริยาทรมบอกวะ่าสัพพะปานิหนังชีวิตทั้งหมดนิเบสนังได้เอายงไอาศัยกันอหิงสาสัพพานานัง อหิงสาสพพานานัอย่าทำลายชีวิตทั้งปวงนั่นคือระบบนิเวศของพระเจ้าระบบนิเวศคือระบบที่อยู่อาศัยถูกทำลายสิ้นเพราะการบริโภคมากผลิตมากกระทบกระทิงนั้งชีวิตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นชีวิตต้นไม้ชีวิตสัตว์เล็กสัตว์น้อยตายไปเพราะการกระทาของมนุษย์จึงบอกว่าระบบนิเวศ และระบบเศรษฐกิจจะต้องอยู่ด้วยกันได้อันนี้ก็ต้องบูรณาการเด็กครูทีเจ้าบอกว่าอาหิงสาสะพปปปานานางังไม่เบียดเบียนชีวิตทั้งปวงเพราะอะไรเพราะนะักตัญหาหนิเวสนังอย่าพัวพันอยู่ด้วยตัญหาคำว่านิเวศนิเวศเป็นภาษาบาลีนะแปลว่าพัวพันก็ได้แปลว่าอยู่ด้วยกันหลากหลาย ก, ก็ได้ อย่างตันหานิเวสนางพัวพันอยู่ด้วยตันหาอย่างนี้และทีนี้เขาก็มาเรียกว่าระบบนิเวศนิเวศข้อที่สองข้อปรรณการปฏิปทาจึงบอกว่าโพชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารไม่ให่มากไม่ให้น้อยมันจะทำลายทั้งตนเองทั้งผู้อื่นทั้งสภาพแวดล้อมทั้งระบบนิเวศ ตอนนี้นักศึกษาภาคเสขะจะต้องเข้าใจเป็นความสำคัญมากบริโภคมากมันจะกินเก่งธรรมดานะไม่ใชกินเป็ดเวลาเราสวดปฏิสังขาโยงนั่นคือสอนวิธีกินเป็ดแต่เวลากินมากินเก่งกินไม่เป็นกินเก่งก็กินแบบชูชกกินแบบคนทั่วๆไปกินเหล้ากินยากินสับยาเสพติดนั่นกินเก่งกินจนทำลายสุขภาพทํำลายระบบ ความเป็นโยครอบครัวของสังคมเศษรษฐกิจไปด้วยอย่าง น, นี้เรียกว่ากินเก่งไอ้ที่เราสวดอะเป็นสังขายโยนิโซเป็นตาปรตามปริเนเซบาเมื่อเราพิจารณาโดยเย็บขาแล้วจึงฉันบิดาบาตนามัทายนานามัทนายนานภูสนายะไม่ฉันเพื่อเล่นเพื่อประดับเพื่อตกแตง่งเพื่อเกิดกำลังพลังทางกายทั้งหมด น, นี้ ค, ค, ค, คือระบบโพชเนมันตรยตาท่านสอนโพชเนมันตรยูตาให้ทําอย่างนี้ ไม่ได้กินเพื่อเล่นไม่ได้กินเพื่อประดับตกแต่งเพื่อเกิดความเมามันเมามันให้เกิดกำลังพลังทางกายไม่ได้ฉันเพื่อสนองตอบตัญหาความอร่อยอร่อยถ้าสนองตอบตัญหามันจะฉันเอาอร่อยเอาอร่อยถ้าฉันด้วยปัญญามันจะฉันเพื่อคุณภาพของชีวิต เมื่อเราบริโภคเขามากๆแต่ทำลายคุณภาาอย่างงงชีวิตนั่งสมาธิก็จะไม่ก้าวหน้าง่วงเมาเรียกว่ามะถะพัตโตเมาอาหารหางาฉันเองนั่งประมาณสักสิบสิบนาทียีส่สนาทีก็หลับแล้วหัวใจจะเต้นแรงมากจะได้ยินเสียงหัวใจเต้นแรงมากมันทำงานมากไม่ผิดนะถ้านเราทำตามท่านไม่ผิดท่านสอนถกมาก ผมที่ปวยอย่างในขนาดนี้ผมมีลิมิตของผมแต่ก่อนผมอยู่เย็นเป็นโฉกผมฉันข้าวสิบสี่คำวันหนึ่งแต่ดี๋นี้ไม่ไหวต้องสิบสองนับถ้าไม่อร่อยก็ยัดคอจานวนครบสิบสองถ้าอร่อยก็รีบหยดแถวครบสับสองมันจะเพลินแล้วก็อยู่ได้สบายทำงานได้มัน น, นี้นเนี่งเรอครับอันนี้จะเป็นเครื่องวัดการปฏิบัติธรรมวันหนึ่ง เดี๋ยวจะได้สโลว์มาฟังทีหลังไตรสิกขาสิกขาสามหนึ่งจะต้องมีเครื่องวัดวัดผลประเมินผลปฏิบัติตามไตรสิกขามีเครื่องวัดมีมีผลในการปฏิบัติมีเครื่องวัดไต ร, ตรสิกขาจะต้องถูกตรวจสอบวัดผลด้วยภาวนาสิเนี่ยจะได้พูดกันแต่เนี้ขอพูดถึง เจรณะสิบห้าแล้วเสกข้าพริปาทานทุกันข้อที่สองนี้ก็หมายถึงรู้จักประมาณในการบริโภคในการใช้สอยปัจจัยไม่มีส่วนเฟอ้อ ส, ส่วนเกินใช้แต่เฉพาะพ อ, พอดีเอาคุณค่าที่แท้จริงที่ดีงามแก่ชีวิตไม่ได้เอาคุณค่าเทียมเทียมตามเขาคำโฆษณาต่อมา ข้อที่สามของอปนกะเราก็ทำอยู่เดี๋ยวนี้ซึ่งเราอาจจะไม่รู้จักชาคิยานุโยกตามประกอบความตื่นและทำาวาเพียงชาคระแปลว่าตื่นอิกะประกอบชาคริกะชาคิยานุโยกอนุโยคะแปลว่าตามประกอบ ความตื่นเมื่อเวลาเรานอนหลับถ้าตื่นเมื่อไหร่เราลุกก็เลยต้องมาเตื่นตีสองมันพอแล้วเมื่ออยากตื่นก็ต้องตื่นก็า้อวมาตีระฆังปกกันโปั้นเพื่อจะให้ตื่นนะเมื่อตื่นแล้วต้องตามประกอบไม่ใช่ตื่นแล้วนอนต่อวายตีตายอย่างนอนเตะเด็กเตะสาวเนอนนั่งว่าตื่นเลยหื้เมื่อเราว่าลุกเจวะชาคริยานุโยก ตามประกอบความตื่นทำความเพียรเมื่อตื่นขึ้นเห็นว่าพวกเราจะต้องใช้เวลาเป็นประโยชน์มากทางโลกเขาให้นอนแปดชั่วโมงพวกเรามันมากไปพวกเราฝึกขัดกินก็ให้พอดีเมื่อนอนหลับไปประมาณทักสามสี่ชั่วโมงนี้อาหารย่อยหมดแล้วเผาผลาญหมดแล้วตื่นมาก็สดชื่นเมื่อตื่นมาไม่ลุกนอนต่อมันก็หลับต่อ จึงต้องชาคฤยาานุโยกตามประกอบความเพียรเมื่อตื่นเมื่อยามปชิมะยามพราตีราตีคือกลางคืนจะมีเวลาอยู่สามยามยามต้นเรียกว่าปัฏฐมยามยามต้นสี่ชั่วโมงยามกลางเรียกว่ามัชิมยามยามกลางก็สี่ชั่วโมงยามสุดท้ายราตีเรียกว่าปัชิมะยามสี่ชั่วโมงสี 4, ่สาสิบสองพอดีหมด เราจะตื่นขึ้นเมื่อปัจชิมยามฮราตีนั้นคือชาคิยานุโยกเมื่อตีระคังแล้วเราจะรุกขึ้นมาทําความเพียรเราทําอยู่เดี๋ยวนี้นี่เราเนินตามเศคาริปปทานนะมิเชนั้นก็ไม่ใช่เสขัริปปทามิเช่นั้นมันก็ไม่ใช่เจรณะนะเป็นอาวะไปแล้วนะสี่นะปฏิโมกสังวร อ, อินทรีย์สังวรศีล แล้วก็ปฏิโมกสมรรสินแล้วก็มาอาปัพนิกาปฏิปทาสามก็เลยเป็นสี่ยังอีกอยังอีกสิบเอ็ดที่จะเป็นสิบห้าที่นี่มีอะไรฟังต่อที่เรากำลังทำาย่าสะทามเจ็ด กินไปแล้วสิบสามฮซี่กับเจ็ดกินไปแล้วสิบเอ็ดบำเพ็ญพระสธรรมเจ็ดพระธรรมเจ็ดมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างหนึ่งมีศรัทธาตัวนี้สำคัญมากถ้าขาดตัวนี้ล้มเหลวเลยล้มเหลวมีศรัทธา เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าผู้ตรัตรู้เองโดยชอบมาดีแล้วเราจะเรียกว่าตาหาคตาโพธิสถาอันนี้เป็นคำใหม่นะเราเรียนในนั้นว่าคำเราจะได้เรียนแต่ในพระไตรปิฎกทั้งหมดไม่มีคำอย่างนี้เป็นเป็นกลมกมเป็นคำชันอัตถากาาถ้าให้ใช้คำว่า สัตหิตถาคตโพธิ์ทิงสัตหิตถาคตตัดสาโพธิ์ทิงคำนี้มีความหมายลึกซึ้งมากเราบอกว่าให้มั่นใจในในพระพุทธเจ้าก็ดีแล้วก็ถูกแล้วเรียกว่ามี ต, าาตถาคตตโพธิสัตหามีสถาในพระพุทธเจา้า ถ้าเข้าด้เพียงแค่นี้ก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่สองมีหีอายชั่วกลัวบาปอายต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตสามมีอดตะปะกลัวกลัวต่อบาปกรรมกลัวตัวกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตสามแล้วสี่ มีสุตตะได้สดับตับฟังพอเข้าใจอั น, นั้นเป็นหลักเป็นธรรมไปอาเป็นธรรมให้ฟังให้เข้าใจนำไปสู่การพุธปฏิบัติห้ามีวิทยาลํมพะปาลบความเพลิอนอยู่ทุกเมื่อทั้งกาและใจหกมีสติเจ็ดมีปัญญา อันนี้เรื่องพัทธธรรมเจ็ดจะขอย้ำเรื่องศรัทธาซะก่อนเพื่อเราจะได้เห็นคุณค่าเห็นพลังของศรัทธาศรัทธาที่พูดถึง ต, า ต, า ต, าตาถาคตถาโพธิศรัทธานี่เราอาจจะไม่เข้าใจแท่เต็มพอสัตย์ที่ตถาคตถาโพธิทิงคำว่าโพธิทิงหรือว่าโพธินี้ มันจะมีความหมายเฉพาะอันหนึ่งปัญญาที่มีในตัวมนุษย์คืออย่างพวกเรานะมันมีทุกคนตัวโพธิเดียดีเขาเรียกภาษาภาษาใหม่ตามภาษาทางตะวันตกว่าเขาว่าสักยะสักจะภาพแปลว่าความสามารถที่มีอยู่ในตัวทุกคน มีอีกคำหนึ่งเป็ น, <ม> เ, ปนเป็นคำไวยพธ่ใช้แทนกันเขาเช็คว่าสักคิสักคิแปลว่าความสามารถในพรตตาบรีว่าสักคิสัตถกิตว่าสักเนียอย่างพระพุทธเจ้าท่านดกย่องพวกเราทุกคนบอกกาลยานางว่าวัตโพสักคิอัตนาตะมา น, มนิสิแปลว่าโอ้ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายเป็นผู้มีความสามารถในตัวจริงหนอ มีสักคิดมีความสามารถในตัวทุกคนหนอะท่านสามารถจะทำดีได้ทุกอย่างหนอแต่ท่านดูมินตัวเองเสรแล้วว่าตัวเองทำไม่ได้มันก็เลยปิดปิดความสามารถถึงตัวนี้ตัวนี้มีอีกคำหนึ่งเป็นคำที่ใช้แทนกันว่ามีชื่อว่าโพธิเมื่อพัฒนาโพธิขึ้นมาก็จะเป็นโพธิญาณก็จะตัดสูุจะทมแรกเล็ทุกคนมีโพธิมีความสามารถอยู่ในตัว พูดง่ายๆให้เข้าใจง่ายกว่านี้คำว่าตถาคตโพธิสถาหรือว่าสัทธิตถาคตสัพโพธิงให้มีความมั่นใจในศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่สัมพันธ์ต่อจุดมุ่งหมายอันดีงามมาสูงสดุดพอจะฟังเข้าใจไหมคิดไว้บ้างก็ได้มั่นใจ ในความสามารถของความเป็นมนุษย์ในตัวเราที่สัมพันธ์ต่อจุดมุ่งหมายอันดีงามที่สูงสุดคือพระนิพพานไม่เลอวิสัยต้องมั่นใจว่าเป็นไปได้เขาแปลเป็นภาษาฝรั่งเขาจะเรียกว่า confidence ไม่ได้แปลว่าเฟดถ้าศรัทธาแบบศ า, นะาสนาอื่นศรัทธาแบบชื่อตรงพักดีตรงพระเจ้ายอมมอบ กายถาวายชี้ต่อพระเจ้าทุกอย่างไม่ต้องคิดไม่ต้องค้นหาเหตุนะผลสถาเช่นนั้นเขาแปลว่าเฟดเฟดฟุลลิสในบางทีเขาจะแปลว่าทัดทัดทัดเห็นไหมในเงินฝรั่งเขาจะเขียนในเงินดอลลาร์เขาบอกอินกองวีทัดแปลว่าเราฝากชีวิตจิตใจไว้ภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้าใครมีเงินดอลลาร์สบายในมามาแบรยาดูจะเห็นเลยคเนี้ แต่ศรัทธาของผู้ทธเจ้าของศาสนาพุทธมาได้แปลอย่างนั้นถ้าภาตาบรีใหเ้เป็นเพี้มองเนอาการก็เรียกว่าอาการวตีรัศถาอาการวตีสศรัทธาซึ่งมันแปลว่า confidence แปลว่ามั่นใจมั่นใจในความเป็นมนุษย์ในศักยภาพในความสามารถของมนุษย์สัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายที่ดีงามที่ถูกต้อง สัมพันธ์กันอย่างไงสัมพันธ์ว่าเราจะต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้ถ้าเราจริญสมาธิเราจะต้องเข้าไปถึงชานให้ได้เป็นไปได้เมื่อหรือวิสัยเราดังนี้ดูว่ามีโพธิให้มั่นใจในโพธิในความสามารถเมื่อพูดถึงตถาคตพวกเราก็มักจะคิดถึงพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้าท่านเล่กท่านเองว่าเราตถาคตนั้นพึงเข้าใจเถิดว่า พระองค์ยอมลดตนเองลงมาเป็นเพื่อนพวกเราเพื่อให้พวกเรามีกําลังใจจึงเรียกว่าตัวเองว่าตถาคตความจริงตถาคตนัต้นไม่ได้แปลว่าพระพุทธเจ้านะแปลว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละคนอินเดียเขาจะมีปัญหาอันหนึ่งถามกันมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าจะไม่เกิดถ้าก ม, มาเป็นหลายพันปีก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเขาจะถามว่าตถาคตตายแล้วได้เกิดหรือไม่ได้เกิด ตถาคตตาอะไรจะเกิดหรือไม่หรือตถาคตตายแล้วไม่ได้เกิดแล้วใครคือตถาคตเราจะเข้าใจว่าเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้คนระตถาคตมันแปลว่าสัตว์ธรรมดาแปลว่าคนอย่างเราเนี่ยมีเกิดและมีเกิไม่เจิดไม่มมมมม million, ไตายเรียกว่าตถาคตแล้วพระพทุทธเจ้าก็เลยยอมลดตนนัวลงมาหาพวกเรามาดิพวกวัดเราตถาคตซึ่งความหมายของตถาคต ให้เรามีสถานในแต่ธาตุนะั้นไม่ว่ายัถาปุริมา ก, กาสัตตาชาติชรามลานังขจติติอาัมปิต่าตตกสัตว์ผู้มีความเกิดแล้วความตายแล้วความแก่แล้วความตายแล้วเป็นธรรมดานั้นแหลคือต่ธาตุในความหมายวันนี้เราจะเข้าใจว่าคาว่าต่ธาต ค, คือพระเจ้านะพวกเราใน ชี่อว่าตถาคตคือมันจะต้องเกิดแล้วมันจะต้องตายเห็นนี้พุทธา迦ทากนก็ถมตนลดโทลงมาหาพวกเราเป็นพวกเดียวกันเราเป็นตถาคตนะเราเกิดแก่เจตตายเป็นเหมือนกันนะแต่เราสามารถจะตัดทะลุได้แม้พวกเธอก็เหมือนกันเธอจะดูดูดตัวเองนะให้จิตว่ากัลายาณังวาวัตถภวักิธโออตัอตัยอัตมันจะสิโอท่านผู้จเจริญเลยท่านมีความสามารถหนอ ที่จะทําตัวเองให้ดีให้งามได้หนอแต่บัด น, นี้ท่านดูมินดูถูกตระเองจะได้ว่าเป็นไปไม่ได้ว่าเหตุเบรรุญบารัอกันดกได้ไม่เป็นสิบไ ร, รต้องมีศรัทธาตัวนี้ถ้ามีศรัทธาตัวนี้ล้มเหลวเลยถือว่าเป็นคนนอกจากพุทธศาสนาด้วยทําไปเคยได้ยินไหมหลวงพ่อจะว่ายีจจะสถทันจะซีรันจัก ปาเถื่อนธรรมทัสนังสัพพะสัพังสัพพทานสัพพังปูทุตโนทีิพยโรทีต่ตกปุตโนปักเเขย์ชนเราใดยังไม่มีศรัทธามั่นแต่ยังไม่มีศีล ย, ยังไม่มีการศึกษายังไม่มีความเห็นในธรรมที่ถูกต้องชื่อตรงชนเหล่านั้นเรากล่าวว่า ปุถุชนโอเพยโรปุถุชนปาปักเขทิโตวัฏาำิเรากล่าวว่าเขาเป็นคนภายนอกฝักฝ่ายของปุถุชนผู้หนาเนีกเกย่ยโดยเด็กอยู่ภายนอกสานานี้ปุถุชนปาปักเขอยู่ฝ่ายของปุถุชนทิโตเพยโรทิโตวัามิตั้งอยู่ภายนอกจากสาานานี้ดูแลเจะเจปวดมากเลย ฟังถ้าฟังโดนแล้วม่ท่านบอกว่าถ้าไม่มีสถามั่นใจในตัวเองไม่ไม่มั่นใจใ น, ในการพื้อปริบัติของตัวเองเป็นไปได้ถือว่าเป็นคนนอกยังไม่อยู่ในขอบเขตะไรอยู่บอกว่าปุถุชนะปักเขยพระยิราธิพระยโรธีตาประถามิเป็นฝักฝ่ายของปุถุชนผู้อยู่ภายนอกจากธรรมนัยนี้ถึงขนาดนั้นนะ เพราะฉะนั้นเราจะดูถูกตัวเราเองต้องเป็นได้ศรัทธาตัวนี้มานะพระเ้ธาธรรมตัวนี้จะเออศรัทธาขึ้นมาก่อนมทามาก็มีความอายหิริ <c oughs> มีความกลัวโอทปะอายชั่วกลัวบาปอายกลัวต่องกายทุจริตวจีทุจริตพนทุจริตแม่จะคิดชั่วว า, าย อันนี้แม้กระทังความคิดอย่างนี้ชื่อว่าเป็นคนตรงพระุยะบอกองค์ผู้ใดมีองค์องค์องค์งประกอบห้าประการตรงมาเถิดเราจะแนะนําอย่างช้าที่สุดเจ็ดปีจะต้องมาลุธทำองค์ประกอบห้าประการมีอะไรหนึ่งมีศรทธาขึ้นมาก่อนเนี่แต่ว่าองค์ของผู้ทําความเพียรหนึ่งมีศรัทธา มั่นใจในความเป็นมนุษย์สัมังธกับจุดมุ่งหมายที่สูงสุดที่ดีงามที่ตัวเองต้องไปให้ถึงสองเป็นชาติของคนตรงไม่โอ้อวดไม่มีมายาหมายว่ามีหิริมีโอตปะนั่นแหละอายชั่วทั้งกลัวเปบอายการทุจริตปฏตีทุจริตมโนทุจริตจะคิดชั่วชั่วย่างไร ไม่ต้อพูดถึงการทำการคิดกยราต้องอายกลัวกลัวต่อการทุจริตวัจจีทุจริตมโนทุจริตไม่ได้ความคิดชัวว่วก็ต้องกลัวกลัวว่าตัวเองจะคิดอย่างนั้นอันนี้มันจอยู่ในกล่มที่ว่าเป็นผู้มีมีมายาไม่โอ้กว่าเป็นชาติของคนตรงสามเป็นผู้มีโลกในการน้อย เมื่อถึงกับล้มหมอนนอนเสือ่อมีโรคภัยไข้เจ็บในการนั้นก็ลำบากนะในการประพฤติปฏิบัติทำความเพียรในศาสนานี้กิชิตกิชติกาโยกิระมติโสสมถังนะวิทติเมื่อร่างกายของเธอเจ็บแค่ได้ป่วยระบากอยู่ก็เป็นสิ่งที่เธอจะทำได้ยากทำให้จิตนี้สงบเป็นไปไม่ได้เลยนอกแตกว่าเธอต้องทำมาก่อนตั้งแต่ยังยังยังไม่ป่วย เขาใหญ่ใหให้ท่านหลายสนใจในการประพฤปฏิบัติเมื่อดนเมื่อต้องค อ, อถ้าเจบป่วยอย่างผมเราจะทําได้ไหมนะ่ะถ้าเจบป่วยอย่างผมเราเป็นไปได้ายากให้บอกกิจติกาโยกิรัติโสสมะถังนบินทะติเมื่อร่างกายําบากอยู่เจ็บไข้ไปป่วยโยุจิตใจจะสงบนั้นเป็นไปได้ยากนอกจากเรามีทนุนฝึกมาไว้ก่อนมัายิงอยู่ได้เมืึงกับเราเราป่วยเราไข้เราแก่เราเท่า แต่เรามีเงินฝากธนาคารเอาไว้ไม่ต้องปัญหาเกินนอนกินดอกเบี้ยนอนกินบุญอย่างผมนี่ถ้าผมไม่ได้เคยฝึกทำกอเพีย์มาผมจะทำอะไรไม่ได้เลยี่เลยนอนหาตายถึงเด้อไปเพราะฉะนั้นเมื่อมีศรัทธาเป็นผู้มี ไม่มีมายาโอ้กั K, เป็นชาของคนตรงเป็นผู้มีโลกภายในการน้อยและเป็นผู้มีปัญญาไม่ซื่อบื้ดจะมารู้เรื่องอะไรเลยไม่ใช่เป็นคนบัญญาอ่อนเป็นผู้ไม่มีปัญญาสามและเป็นผู้มีความเพียรครบภาประกาศนี้ทขาบอกว่าไม่เกินเจ็ปีในหลักมหาเศรปัาฐานก็ดีในที่ทางก็ดีบอกไม่เกินเจปีการเจริญเศรษฐาปฏิปฐาก็ไม่เกินเจปีจะได้ผล เมื่อมีองค์ประกอบห้าประการนี้จากศรัทธามั่นใจในความสามารถของความเป็นมนุษย์สัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายที่ดีงามที่สูงส่งและเป็นผู้มีความอายชั่วกลัวป่าหวาดกลัวอับอายต่อกายทุจริตวัตถีทุจริตมโนทุจริตต่อมาเป็นผ้าหูสวก เป็นพูุสตะได้ยินในฟังได้สะดับตอบฝังเข้าใจบ้างสิ่งที่ควรกระทำสิ่งที่ควรเสร็จถ้าไม่มควรเสร็จข้อบับปฎิปารเข้าใจห้าต่อมาเป็นผู้ปาราบความเพียรวิทยานำพระไม่เฉยชาไม่เกียจขานไม่ท้อถอยชาตะตังสมิตตมีปัญญาครบเจ็ดอันนี้ รวมทั้งจารมทงอปรณะปฏิปทาสามทั้งสินสังรวมสินสังวรเป็นสิบเอ็ดรวมกันแล้วสี่กับเจ็เป็นสิบเอ็ดอีกสุดท้ายเจริญฌานสี่เป็นสิบห้าเรียว่าจารณะสิบห้าเสขปฏิปทาก็ครบและเจอจะได้วิชาสาม ทีนี้มันจะเหลือข้าข้อต่อไปคือเรื่องฌานที่เราจะต้องทำเอาจเจริญฌานทั้งสิ่ให้เกิดขึ้นมาว่ากันหน่อยว่ากันหน่อยเมื่อเช้า ว, ว่ามาแล้วว่าสมาธิภาวนา น, นี้คืออะไรจำได้บ้างไหมทำมาจริงต้องมาเจริญสมาธิภาวนาเจริญสมาธิภาวนานีเนาานานน้เพื่ออะไรและจ ะ, จะเจริญโดยวิธีใดเราได้พูดมาแล้วสามประเด็น จะมาค้างที่โดยวิธีใดเอาค า, าว่าโซจุดนี้เจริญฌานนั่นแหละคือการเจริญสมาธิภาวนาและจะเจริญโดยวิธีใดให้เข้าใจไ ว, ไว้ก่อนนะคาว่าฌาน ช, ช, ชอกระเสอสารนอฌานฌานตัวนี้ฌานนางตัวนี้มันแปลว่าเพ่ง แปลว่าคอนเซนเทรชั่นแปลว่าเพ่งนะแต่ว่าก่อนนะที่เราตื่นมานั่งตีหนึ่งตีซอนเรามาเจริญฌานแต่ยังไม่ได้เข้านะเข้าไปอีกเรื่องหนึ่งจนกว่าการเพ่งกับสิ่งที่ถูกเพ่งรวมเป็นอเดียวกันเต๊มแล้วมันจะเข้าละ่ะมันเข้าไปเข้าไปในฌานละตอนนี้เรายังไม่เข้าโดยยังเงาหนองเงของเง็กแต่เราเจริญอยู่พระพิจิตรเห็นก็น่ารักกู ถ้าบอกว่าน่ารักอัตมโนโฮมิน่าพอใจของเราเมื่อเห็นผู้เถอนั่งนั่งหลับง่วงๆอยูในป่าทวดยาบว่าน่ารักนะแต่ถ้าเห็นพระนอนอยู่ในที่นั่งที่นอนปานี่อยู่ในเมืองในขามนิคมในราชธานีเต่มมานอนสบายนะบอกว่ า, าไม่น่ารักไม่น่าดูเยแต่ถ้าเห็นพระเอ็นเนรนั่งปัจจาระมานังนิสิณ น, นังอารันเย่พี่ขง ภาษามิตรธาประหังเวลาใดเราได้เหตุที่ษุนั้นนั่งงอกง่วงหลับไหลอยู่ในป่าเรากล่าวว่าเป็นเป็นความน่ารักของเราและพอใจในการอยู่อย่างนั้นสมัยอื่นอีกจะมีเธอจะไม่ไม่หลับตลอดต่อกจะมีอีกสมัยหนึ่งสักครั้งหนึ่งเธอจะเอาชนะนิวรณ์ได้และเธอจะก้าวไปในในอริยะธรรมไม่ใช่มันจะหลับได้ทั้งปีทั้งชาติมันจะต้องพัฒนาได้จอม ทีนี้เรามาพูดถึงฌานฌานคำเดียหนึ่งแปลว่าเพ่งนะอย่างเราตื่นมาทุกคนนีตต่ตื่นทีหนึ่งทีสองนะี่เรามาเจริญฌานทุกคนแต่ยังไม่ได้เข้าจ้กว่าจิตจะเป็นสมาธิเข้าไปสู่อัปปนาสมาธินั้นแล้วมันจะเข้าตอนนี้ยังไม่เข้าหรอกเราเราเจริญทีนี้ฌานมี ม, มีมีสองเทนิดฟังให้ดีนะต้องเข้าใจซะก่อน ถ้ามันเข้าใจมันทําไม่ เ, มเข้าไม่ถูกมันมีทิฏฐิชุวกรรมหนึงที่ผู้เมื่อเช้าหนึ่งเจ้ได้ไหมบุญสิประการบุญสุดท้ายว่าทิฏฐิชัวกรรมทําความเห็นที่ซื่อตรงนั้ถูกต้องถ้าทําความเห็นไม่ถูกต้องไม่ซื่อตรงทํำอะไรมันไม่ถูกให้ทางก็ให้ทางไม่ถูก ร, รักษาศีลก็รักษาศีลไม่ถูกรักให้ภาวนาก็ภาวนาไม่ถูกเพราะมันไม่มีความเห็นที่ซื่อตรงถูกต้องเราจะต้องมาทําความเข้าใจกันก่อน ชานมีอยู่สองชาญนะฟังให้ดีมีสองชาญเครืออาการเพ่งมีอยู่สองอันหนึ่งนักศึกษาจดไปบ้างจะได้เข้มข้นมีคุณภาพเมื่อกลับไปกลับไปถึงบ้านถึงช่องมาเราไม่ได้อยู่ในเมืองไทยเมืองเราเราก็มีจะได้ไปพัฒนาพุทธศาสนาของเรามีพลังขึ้นหนึ่งอารามนุปนิชฌั อารมณ์ปนิชฌานเพ่งอารมณ์อันนี้จะให้มันเกิดสมาธินะคอนเซนเทรตทรูซับเจ็คมีเทชันเพ่งอารมณ์อันใดอันหนึ่งเพื่อจะรวมจุดเพื่อจะผูกจิตให้เป็นอันเดียวอารมณ์ในโลกนี้มายมากหลากหลายหูก็มีเสียงเป็นอารมณ์ ตาก็มีรูปเป็นอารมณ์จมูกมีกลิ่นเป็นอารมณ์ลิ้นมีรสเป็นอารมณ์กายมีสัมผัสเย็นร้อนออนแข็งเป็นอารมณ์ใจมีความรู้สึกนึกคิดเป็นอารมณ์เราจะมาเพ่งทั้งหมดอารมณ์ทั้งหมดผูกกันทั้งเป็นอันเดียวจากความหมายมากหลากหลายกลายมป็นสุขเป็นหนึ่งเดียวเมื่อเป็นอันเดียะเรียกว่าเอกคตาจิตจะไปสูขอารมณ์เดียวตอนนั้นจรงจะเป็นชื่อว่าเข้าไปในฌาน ตอนนี้จะมาเพ่งอารมณ์อารมณ์เดียวมากๆก็าตามเราจะเอาเดวไว้ก่อนผูกผูกคิดเมื่อผูกอยู่แล้วจึงจะใช้งานมันเก็บฝึกงานมาฌานนี้มีชื่อว่าอารามนุปนิชฌานเพ่งอารมณ์เพ่งจิตดูกเก่าอารมณ์สองลักคานูปนิชฌานเพ่งดูลักษณะที่มันเกิดคือทุกลักษณะ ตัวนี้ใช้สติมากนะตัวตัวที่แรกเมื่อกี้นี้ใช้สติ น, อน้อยเ พ, พ่งรัวเดี่ยวพอเพ่งรัวเดี่ยวคออย่างสมมว่าเราดูลมหายใจก็ดูตะลมหายใจไม่เจอกับอะไรไม่สนใจเท่ะดูเดียวพอให้มันเป็นอันเดียวให้ลูกให้เสียงให้กินให้รสให้อารมณ์ทั้งหมดมันรวมในอันเดียวกันให้เป็นเอกาที่ป่าบาที่กระโตเหมือนส่วนเมื่อกี้นี่ส่วนทางวัดแต่ได้ไหมเมื่อกี้นี่สมาธิสวด ชันโตปณีโตปฏิปสิทธิและโธได้มาด้วยความสงบระงับปณนิฏเอากาทิภาวาทิกระโตด้วยมีธรรมเอกขุดขึ้นคือธรรมอเดียพกขึ้นแต่อารมณนะ์ม่วงๆในการเป็นอารมณ์เดียวพุบไปเป็นอเดียวนะเป็นเอากาทิภาวาทิกระโตไปสู่ภาวะเดียวเมื่อเข้าไปตรงนั้น หูจะไม่ได้ยินเสียงอารมณ์ท้งหูหมดไปตายจะไม่เห็นแต่กูกไม่รู้จักกินลิ้นไม่รู้จกรสตายไม่รู้จะเจ็บจะปวดใจไม่คิดอะไรมีแต่ความรู้อันเดียวเป็นอารมณ์เดียวตรงนี้หลจะเป็นการเข้าไปในชาฌานละสมาปาัจฉิตละตัวนี้เป็นการเพ่งให้เกิดสมาธิให้เกิดสมาธตัวที่สอง ตัวนีใช้สติมากใช้สัพพัญญามากเพื่อให้มันเกิดปัญญาเรียกว่ารักขนันโปนิชฌานรักขนันโงปนิชฌานเพ่งดูลักษณะทุกลักษณะไม่ว่าจิตใจมันจะคิดปังก็เพ่งดูความคิดรูปกฤตเวทนากริสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดเพ่งดูขันหา้าเพ่งดูอายตนะทั้งหมดที่มันเกิดขึ้น เห็นมันเกิดให้มันดับให้มันตั้งให้มันดับไปตัวนี้ไม่โดดเด่นไม่ฟุบไม่ไ ม, ไม่ไม่ตื่นเต้นไม่บื้อเป่าแต่จะทําลายกิเลสทำแลกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกตัวชอบเข้นฆ่ากิเลสอย่างเลือดเย็นมีปัญญาเพ่งเกิดปัญญาตัวนี้ตัวนี้เพ่งเกิดปัญญาตัวก่อนเพ่งเกิดสมาธิให้เกิดฌานเกิดฤทธิ์เกิดเดชอยู่ตรงนี้ เมื่อเช้าได้พูดแล้วว่าสมาธินี้ ม, มีมีผลสีประการประการแรกจะได้ความสุขสุขะธรรมิกะภาสุหารายะสมะตะติทิฏฐะธรมิกะสุขะขาภาสุหารายะสมะตะตินำมาซึ่งความสุขในปัจจุบันทันตาเห็นตัวนี้ก็เป็นตัวที่เพ่งดูลักดูอารมณ์เมืม่อที่เป็นอารมณ์เดียว ออกมาจากอารมณ์อย่างนั้นจะมีความสุขมากนั่นจะต้องพบก่อนสองญาณทัศนะปฏิลาภายยะสมตตัติสมาธิภาวนาอบุคคลจะเรีย ม, มากการทำมากแล้วจะนำมาซึ่งญาณทัศนะความรู้ความเห็นมหาศจรย์ไม่ใช่กันพาวเวอร์ซปเปอร์นอมันเนื้อธรรมดา มีลิปมีเดตมีหูทิพมีตาทิพย์เนืออคนธรรมดาอันนี้มาจากการเพ่งแบบนี้เพ่งเป็นอารามณุปนิชฌานเพ่งดูอารมณ์นี่แหละจนใจเป็นอันเดียว น, นึ่งอันเดียวแล้วแล้วมันจะเป็นไปประโยชน์ทางนี้ได้สองอะไร น, นี้ตัวสุดท้ายตัวลักคานูปนิชฌานเพ่งดูลักษณะของขันของท่าของอายะตนะ ของความรู้สึกนึกคิดสัญญาเวทนาวิตกทั้งหลายระเพ่งดูมันอยู่เป็นประจำเองตัวนี้จะทําให้เกิดสติสัมปชัญญะสังวรตินํามาซึ่งสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์จะคุมกําเนิดความทุกข์ควบคุมกําเนิดความชั่วไม่ให้ความชั่วระบาดไม่ให้ความทุกข์ระเบิดขึ้นคุมกําเนิดกิเลสได้แต่ยังมีกําหนับ ยังพอมีโยกเมื่อสุดท้ายถึงที่สุดแล้วตัวนี้มันจะเกิดอีกอันหนึ่งสมาธิภาวนาพระวีตาพระมูลิกตาอาสวะขคายะสังวัตติสมาธิภาวนาบุคคจะเร็ยยตตมาาารมากกระทำมากแล้วกายังอาสวะให้สิ้นไปอะไรคืออาสวะได้หูแล้วหลายชานหลายสาตน่งเมื่อหลา ย, านลายเนี้ยบตายแห้ง ตอนธรรมยามหมดไปสิ้นไปเยื่อใญ่ยางปุญะสินเนหาปาปาปสินเนหาปาปปปุญญาสัพหินัสานิชาตตวบริณโทโตอยางบุญยางบากถอนทิ้งทั้งบุญระบาศได้จึงจะบรินทธิ์ผ่านตัวนี้ตัวสุดท้ายนึ่เราจะเห็นว่าตัวหนึ่งตัวที่แรกอารามนุงบนิชฌาน จะทำให้เกิดมีความสุขมีฌานแล้วก็มีฤทธิ์ปีเด็กนี่คือเรื่องสมรรถตัวสุดท้ายตัวที่สองลักขณูปนิชฌานจะทำให้เกิดสติสัมปชัญญะสมบูรณ์รู้เท่าทันกิเลตหาคุมกันเนิดประโยชน์และพัฒนาถึงที่สุดแล้วมันจะยังอาสวะให้สิ้นไปอาสวะที่มันไหลซ้น เยื่อใยยางของใจพาไปเกิดพบน้อยพบแจ่ทั้งหลายก็จะสิ้นไปตัวนี้ทั้งสองทั้งสองนีนจะเป็นเรื่องของวิปัสสนาทั้งหมงก็คือคือคือฌานเหมือนกันท่านจึงบอกว่านัธธิชานังอภัญจะศะนัทธิปัญญาอชาชัยนิโน ยำเห็ชานันจจะปัญจสะศสักยนิพพานสันติเกศถ้าไม่มีการเพ่งก็จะไม่เกิดปัญญาถ้า ม, มีปัญญาก็ไม่รู้จักการเพ่งถ้ามีทั้งการเพียนเพ่งและมีปัญญากอกใต้ฝั่งนิพพานเข้าไปทุกทีทุกทีทกทสะเวนิพพานสันติเกศนู่นเป้าหมายใหญ่เราอยู่ตรงนู้นทีนี้ก็มาถึงบทสรุปะทำโดยวิธีใดเมื่อเช้าเราค้างไว้ตรง น, นี้ เอ๊ะเจเองหรือเปล่า ไ, ไหว้หมดกเวลากันดูเรแรงด้วยขอกินน้ำหน่อยทั้งสี่วิธีนี้ทั้งสี่เป้าหมายนี้เราจะทําโดยวิธีใดทําอย่างไรจะมีความสุขทําอย่างไรจะมีญาณทัศนะจะเจริญสมาธิอย่างไรจะมีสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์จะเริญสมาธิอย่างไรจะทําให้อาสวะนี้สิ้นไปเราจงมีคําถามสุดท้ายว่าโดยวิธีใด เมื่อเช้าล้วพูดมาถึงเรื่องอะไรทไําำมาเพื่ออะไรเรามาค้างอันสุดท้ายว่าโดยวิธีใดว่า น, นี้ก็คงจะต้องมาถึงบทสรุปตัวนี้เป็นบทพิพากษาหลักโดยวิธีใดทั้งสองทั้งระบบจากตั้งและดั้งเดิมจะต้องมาผสมผสานกันให้เข้าใจมาก็ทําร่วมกันทั้งสี่วัตถุประสงค์ทั้งสี่จุดมุ่งหมายนี้ที่พรจะได้มาเนี่ย ครอันนี้ก็พอเอาอย่างง่ายไม่ลำบากโค้ชยาวท่านเรียกว่าพระเอกนะพระเอกนะเอกธรรมเอกธรรมะเอกธรรมะ ว, วักที่ว่าด้วยทําอันเดียวดูว่าอา non นนเธอรู้ไหมทําอันเดียทำอันเดียวจเจริญทํามอันเดียวแล้วจะยังทําทําทั้งสี่ให้จเจริญเจริญทําทั้งสี่แล้วทาทั้งจเจเจเจริญ จะเดินทางทางเจรียบทำทั้งสองอย่างเจริญแต่เริ่มต้นด้วยอันเดียวพรานนรป ะ, ปะข้าพระองค์ได้บำบวดได้มาประพฤติพรหมจารี้มีพระผู้มีพระกราบเป็นธรรมสามิเป็นแก้าของแห่งธรรมบูช า, พ ร, พ, ราพระผู้มีพระเจ้าขอพระผู้มีพระเจ้าจงชี้แจงจงแสดงเถิดข้าพระองค์ฟังแล้วจะได้จดจำต่อไปจะได้บอกคนหน่งเขาอยากอะไรบอกว่าปะปะ อาหนุนเธอจงฟังให้ดีจงตั้งใจสดับเราจะเก่าเอกระทำว่าทำอมาเดียวนี้ทำมันเป็นพระเอกอันเดียวนี้ เ, ออน เ, นเมื่อจะเดินให้มากแล้วจะยังทำสีประการให้ยงให้เจริญขึ้น ค, คืออะไรอาณาปานตัตติมีสติในลมหายใจเข้าหาออกอันเดียวถ้าจะเดินให้มากแล้วจะทําให้ทำสี่อย่างคือสติปัญญาทั้งสี่ให้บริบูรณ์เนีนย่ย เมื่อสถิติประธานสังศีปริบูรณ์แล้วแตาโลสติประธานเนปริบุเรงติกแตาโลปฏิสติประธานนาภวีตฐาภวมริกตาสตตาโพสังเขพรริบูรณติกเมื่อทำสังศีนี้สถติประธานสังศเจริญ้ทํามากกรทามากแล้วพ่อชงทั้งเจ็ดจะเจริญขึ้นสตตาโพชังข่าวภวีตฐาภวมรกตาวิชาวิมุตติงปริบุเรนติกเมื่อพ่อชงทั้งเจ็ดเจริญให้มากครามากแล้ว วิชาและวิมุตต์ก็จะสมบูรณ์ก็จบเพรามจะเป็กุบริโยสารอยู่ตรงนั้นเราจะเอาเรื่องของพระเอกมาใช้วันหนึ่งเนาะเอาทางที่มีพระเอกก่อนเนาะเอาไว้ครึ่งหนึ่งซะก่อนน้อยหนึ่งพรุ่งนี้เช้าต่อมันเหนื่อยไม่มีแรงจับจุดพระเอกได้เลยนะแต่พระเอกได้แล้วเริ่มต้นจะเอาให้เกิดความสุขซะก่อนเนาะ สมาธิภาวนาพระวีตาพระโมริกาตาทิธาทธิทธรรมิกาสขาภาสุวหารายสังวตติสมาธิภาวนาบุคคลเจริญธรรมะกระทำมากแล้วย่อดนำมาซึ่งความสดในปัจจุบันทันตาเห็นไม่ต้องรอชาติหน้าไม่ต้องรอปีหน้าเดือนหน้าวันนี้แหละเอาอย่างนี้แหละเอาอยัางไงเจริญอานาปนานสติซึ่งเป็นยอดกรรมฐาน อาณาปานสติมุทเภูตังกรรมฐานนางภาเวติพิสุตังล่ะอาณาปานสตินี้แหละเป็นมงกุฎเป็นยอดเป็นคิงเป็นราชากรรมฐานเอามาหลายคําำหน่มุทเถูตังมุทเถเปมงกุฎมงกุฎบนหัวที่เป็นยอดมุทเภูตังกรรมฐานนางภาเวติอาณาปานสตินี้บุคคลจะเจริญมากกันทมากแล้ว จะเป็นมงกุฎจะเป็นยอดจะเป็นราชาจะเป็นค i n g ของกรมมาฐานกัรมาฐานทั้งหมดสี่สิบห้องเป็นน้องของอาณาปรนสัสเตกสตกประธานสติก็อยู่ตรงนี้เอา้ามาก้าวสู่อาณาปรนัสติที่เราจะต้องทําำผู้นิชเช้าเลยนะตีนี้เลยไม่ต้องผู้นิชเช้ากับประนอนนี่ก็บวัดูเลยจะบอกให้มีมีหลายเทคนิคมีหลายวิ ช, ชาการมีมีลูกเล่นแถวๆเลยอาณาประนัสเตกจะเอาอะไร เริ่มแรกถ้าเราทำตามสเปกมันมีอยู่สองระบบตามอริยนสะินะนะนะหนึ่งแบบเทคนิคสองแบบธรรมดาจะเอาแบบเทคนิคก่อนหรือจะแบบธรรมดาธรรมดาง่ายแต่จะช้าหน่อยแต่เทคนิคนี้ต้องไล่เลยเป็นสเต็ ป, เ, ต ป, เ, ตปเลยอนุปพังปริจิตาจะท่าภูเทนเทสตา โสอิมังโลกังปภาเสติอภามุตโตวชัชรติมาอาณาปณะติเมื่อเจริญตามลำดับแบบเทคนิดังที่พระเจ้าแนะนำคมสอนไว้แล้วแสดงไว้แล้วบุคคลนั้นจะยังโลกนี้ให้สองสว่างเมืองพระจันโคจรออกจากกลุ่มเมฆฉะนั้นแบบเทคนิยากหน่อยแต่ก็จะเร็ว จะมีความสุขก็ปีนได้ง่ายๆถ้าแบบธรรมดานี่ต้องอาศัยบุญอาศัยวาสนาะบางคนมีวาสนาะง่ายมากเอา้าพูดถึงวาสนาะก็ขอขอสิเวลาหน่อยหนึ่งคนดูเวลาจ้ะพวกเรามาที่นี่วันนี้มาเสกขา่าปฏิบัตินั้นถามว่าได้อะไรเดียรบอกว่าไม่ได้อะไรนะ ถ้ากลับไปที่บ้านไปที่วัติถ้าเขาทําไม่ได้อะไรไปนั่งสมาธิไปเจริญเสขะปฏิบัติอายุสิบัตตาอะไรต่อไปเลยอย่าลังเลว่าได้วาสนาแต่วาสนาถามว่าวาสนาคืออะไรไม่ใช่ว่าพี่บอกแล้วว่าแล้วแต่วาสนามือนัหว ง, งเขานะว่าสนาเป็นเรื่องไรแต่เรานาะที่กมือของเราถ้าเยซูเคยพูดบางมันไปหาพระเยซูแล้ว คืปาคาปาคาอปรกาปกนาระเว่า t i n g d o m God is in h a n า้างว่ า, วาทวังนยงอานาจของพระเจ้าจะในมือของเราไม่ต้องอยู่ในมือของพระเจ้าเราสามารถสร้างเอาอได้เมื่อวาสนาไม่ต้องรออยู่บนดวงดาวบนท้องฟ้าออกอยู่ในมือของเราวาสนาเป็นภาษาบาลี อธิวาสนาอธิวาชนัรองรับไว้อย่างยิ่งแปลว่าพฤติกรรมที่กระทำจนลงตัวจนเคยชินความเคยชินกระทำจนลงตัวนั่นแหละคือวาสนาถ้าเรามาทำอย่างนี้เป็นประจามันจะลงตัวที่ตัวเราตายไปยีไปเกิดีมันก็ตามไปเป็นวาสนาเป็นสันดานสันดานไปเกิดชาแนาไปทาง่าย มันมีวาชนะมันตามไปพฤติกรรมใดที่เราทําจนเคยชินติดตัวเรานั้นเรียกว่าวาสนาถ้าพฤติกรรมของสังคมทั้งหมดทําเหมือนกันคือวาชนะของสังคมเรียกว่าวัฒนธรรมถึงเดือนห้าปั๊บไม่ต้อมีใครบอกเอานาอะไรได้ลดกันว่าวัฒนธรรมสองกับคือพฤติกรรมของสังคมนี้มาลงตัวแต่พฤติกรรมของแต่ละคนแต่ละบุคคลนี่เรียกว่าวาสนา อย่าเขาจะวาสนาะอยู่เป็นอยู่บนดวงดาวบนท้องฟ้านะวาสนามไม่ไหญ่เคี้ยวหมากมอไมไปน้อยๆเลยเคี้ยวหมากแต่ล่อหัดเอาจนติดเป็นวาสนามเคี้ยวหมากโก้มเคี้ยวปากดำปากแหลเบิ้ดปูนกินปากหอยไปกินแจวกินบนกับอะไรโก้มเนีย่ยเขาอย่างเขาบอกว่าคนเป็นผู้สาวเอาไปมันติดอีดีไป็นวาสนามเรา บอ ก, กินปาแล้วจเจ้มัป็นแข็งเลยซองเลยแล้วกุกมเขี้ยวได้บอกว่าแข็งเจ้าเปนขันเขาเจ้าเปนขวาจะเป็นข้แข็งกว่าบ่เขี้ยวมาแต่โอ้ยเป็นปาชนะเราเราฟึกออกเป็นพฤติกรรมที่เคยชินปาษนะขีเราได้วันนะึงขีเรามนออนที่นีเราไม่แซบเลยทั้งขมทั้งเคืนหน้าโบนหน้าเบี้ยวเพื่อนบ่ก หาอะไรเพียอะไรดีกุ้มเนื้อที่อย่างาง้เขาเดห้ที่เราเป็นจะใครดั ง, ขงเขาบอกว่าผมเป็นเป็นพระเอกเป็นผู้ชายเอาไปมาเลยโอ้ได้ซื้อกินบมดเแพงมันแรกก็ซมนติดนั่นคือว่าสนาขี้เราคนเราฟึก อ, อะไรมันได้อย่างนั้นนะในสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าของเรามีพระองค์หนึ่งถ้ามีว่าสนาไม่เหมือนเพื่อนเมื่อพ่อขาคุณ ท่านมีชื่อว่าปิรินทวัชช์ถ้าพนนี้มีฤทธิ์มีเดชนะถ้ฝนไม่ตกก็ได้เนลามิตปาสาพระเพิพิสารเป็นทองคำก็ได้เนลามิตรเส้นยาเป็นสายช้อยทองคำเป็นตุ้มหูเป็นกะลรมือก็ได้เก่งแต่ถ้ามีวาสนาอย่างพูดกอบใครว่าไอ้ถอยพอวบมือนเป็นไอ้ถอย ไอ้ถอยคือเนี่ยพ่อคุณเลยนะแจ้วพ่อคุณละว่ า, วาสนาเรายังยังดอกว่าขึ้นูเลยนั่นคือว่าสนาหลพวพ่อคุณฝากเอาใครกับกูมึงไอ <c oughs> ้นายเลยโดยะเธอรู้ว่าคุณพฤติกรรมที่ลงตัวที่เคยชินวันหนึ่งท่านพระปรินทวชชาท่านปรินทปัมีชายคนหนึ่งแกเก็บพริกไทยมาจากสวน แกปูเองด้วยมือเก็มาเต็มก็เต็มกระเซิงเกลียนเอาใส่เกลียนไปขายในตลาดก็ไปเจอกันในในในระหว่างทางถ้าไปิินทว ช, ชก็เดินไปวินิทบาทเกลียนมัรีคนไม่ได้มันอยู่ในร่องทางถ้านก็เลยรีทางเกลียนเมื่อรีทางเกลียนแล้วก็ถามเจ้าของเกลียนไอ้ถอยเกลียนมันมาทั่อะไรามาว่าไอ้แถก็อ ย, อยทันตีนิสัยนั่นนั่นคือวาสนาท่านไอ้คนนั้นก็โกรธ มึงปาพระอะไรเพิ่งจะเห็นกันครั้งแรกเมื่อเครู้จักอะไรมึงพูดไอถ้ถงไอ้ถอยพูดแต่ไม่มีสมาวาจาอะไรก็โกรธก็สวนถามไปเลยก<ไ>ูบป<ไ>็ทุกคีนอุมาวะไอ้ถอยกูเลยกูทุกคีนอุมาวะไอ้ถอยแต่ความจริงแกบรรทุกคิกไทยแกจะไปขายกูบรรทุกคีนอุมาวะไอ้ถอยมึงจะทําะไรไปถ้าบอกกูไม่ทําอะไรมึงดอกมึงก็ไปขายของมึง ก, กูจะไปวินทบาทของกูไปก็ไปเลย แต่ถ้ามีลมีเด็ดนะเปราะอรหันนะไปถึงตลาดไปประกาศขายฟีดไข่ผู้คนละลายมาซื้อมีเด็ขี้หนูเต็มเควียนเขาไปโกหกท่านว่าขี้รนูขี้นูตกเกียนเอ๊แายวนมาดาเจ้าบ้าทึ่งแอลขี้หนูมาประกาศขายชาวบ้านมาเป็นฟิดไข่บอกฟีด่จริงจริมาจาขี้หนูผมปิดมากับมือของปู่กับมือที่สวนของผม แล้วไปเ ป, เป็นขี้นวยยังไงมันประหลาดโยครับวมานั้นไปเห็นหลวงตาแก่ๆองหนึ่งเดินสวนทามา ม, ามามาชี้หน้าถามผมว่ามึงเก็บเกวนมึงบรรทุกอะไรมาวะไอ้ถอยวาอย่างงี้ผมก้โกกคนไม่เคยเห็นหน้ากันมาเรียกว่าไอ้ถอยไอ้ถอยไม่มีสมาวาจาจผมก็เลยสวนไปว่ากูบรรทุก ข, ขี้นว่าวะไอ้ถอยมึงคจะทําอะไรไถ้ท่าบอก ว, ว่าอย่างไงถ้าบอกว่ามึงก็ไปขายขี้นู่ของมึงซะกูก็จะไปไมีทำไมกูกูไปทำอะไรกูเนาะ มึงรู้พวกคุณชาวบ้านก็เลยบอกว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นต้องลงพ่อปรินทวช่างอ่งเงีเลยจําได้ว่าทาเห็นเห็นจําได้ทาอย่างนั้นต้องไปขอขมาท่านพาผมไปได้ไหมลงมึงไปเองมึงเด็กเขาบอกมึผมกลัวท่านท่านพูดไม่ดีผมกลัวเริ่นจะด่าไปด่าลงถ้าว่าอย่างนั้นก็เลยชวนชาวบ้านให้ชาวบ้านพาไปพอชาวบ้านไปถึงบอ ก, บ อ, กองค์นี้ใช่ไหมใช่แล้ว นั่นเอาเดอกไมท้ทุเรียนไปขอขอมาท่านก็ไปขอขอมาท่านว่าได้ล่วงล้งกำก่อมเกินแล้วท่านก็เลยบอกว่ามันเป็นอะไรดอกไอ้่อยมึงไปขายที่ไหนมึงซะกูก็จะไปของกูมึงไม่บาปดอไปก็ไปพิทไทยเต็มเกียนมึงขายดีๆ ด, ดีเบอกไปถึงก็ขายไปเห็นน้องเ ท, ท่าหมดเลยกลับมาทีเจ้าของพิทไทยนยไปวัดไปเฝ้าพระเจ้าไปเล่าพระเจ้าฟัง อภูตามพันเตอฉริยังพันเตไม่เคยมีแล้วพระเจ้าข่าะอชจริย์กินพระเจ้าขาเล่าเรื่องฟังล้วงตาคนนี้เรียกผมว่าไอ้ถอยไอ้ถอยผมโกรธเล่าฟังจนจบไปขายพลิกเลยแต่เสร็จแล้วท่านผมไม่ขอมาท่านก็เลยกลายเป็นพิธาจากไทยอย่างเก่าท่านก็ไม่โกรธผมเราแต่ท่านพูดอย่างนี้ทําไว่าท่านยิ่งพี่อย่าง น, นี้เนาะแต่ท่านมีลิมีเด็ดมากพาระเจ้าบอกว่าบุตรของเรา เธอทำลายตันหาสิ้นแล้วเป็นพรออรหันตขีณาศตกไม่ต้องสงสัยเลยแต่เธอไม่สามารถทำลายวาสนาของเธอนั้นคือวาสนาของเธอเข้าใจว่าสนาได้อย่างคือพฤติกรรมที่เคยชินเธอได้เกิดมาเป็นมหากษัตรห้าร้อยชาติติดต่อกันมาวาสนาคือนิสัยความเคยชินของกษัตริย์เลยพูดกับคนอื่นมาอ้าถอยอ้ถอยอย่างนี้เรามางทีต้องทํามันได้วาสนา ไม่ได้มาก็าได้น้ำได้น้อยเติมมานั่งสมาธิสงบก็นั่งไม่สงบก็นั่งขี้เคก็นั่งขยิ้ก็นั่งให้มันเป็นวาสนาและที่ว่าสุขวาสนาปริปากังปรมิตาสาปริโพธิยานะปริปุเรนติเมื่อวาสนาดีงามแล้วก็จะบ่มบา ร, รมีนี้ให้สุกงอมก่อนที่บาลมีจะสุกงอมต้องมีวาสนาดีซะก่อน ก่อนที่จะมีวาสนาะเขาต้องมาฝึกอย่างนี้ให้มันลงเนื้อลงตัวที่ว่าสุวาสนาปริปากังปริมิตาโพธิญาณังปริปุเรนติเมื่อวาสนาะดีงามแล้วก็จะบ่มบา ร, รมีนี้ให้สุขงอมพร้อมที่จะยังพระโพธิญาณนี้ให้อุดมโพธิก็จะอุดมขึ้นปริปุเรนติสมบูรณ์ขึ้นปริปากังแปลว่าสุขงอม ภาสาลาวแปว่าทุกเทเ่ยงเหตุในบาลีมันทุกเที่ยงมันวเที่ยงหอวันร่อรุณเอีข้าวหึงหนังโนตืนมาเอารดต้องได้วาสนาวันนี้มางวนี้ให้ได้วาสนาตาไปเกิดมนก็มีมีวาสนาได้บวชอีกจะเรินสมาธิภาวนาง่ายกว่าเก่าข้อของเก่ามันมีวาสนาภาษาลิบุตรเหมือนลิงใครจะมีความรู้มีสติปัญญาเกินภาษาริบุตร แต่ว่าวาสนาของท่านมันมือนลิงคนส่วนมากไม่เข้าใจไม่ลึกซึ้งไม่เริ่มมสายภาษาเลยบทไปเรื่องสาวโอกันมากมีวันหนึ่งเศรษฐีชาวเมืองราชเกิดไปขาขายต่างแดนได้เงินมามากก็ได้กำไรงามก็เลยซื้อผ้าราคากึ่งแคว่กาซีมาสามผืนราคามาก พอรายการรดีคิดว่าจะเอาเอาผ้ามาถวายพระราชาเพื่อเป็นภาษีขาเข้าขาออกเป็นเอ็กซ์พอ port ินพแทเป็นภาษีขาเข้าขาออกพระราชาจะได้สนับสนุนในการค้าขาไปง่ายมาถึงบ้านเพื่อนฝูงนักพ่อค้าเศรษฐีทั้งหลายก็มาเฝ้ามาต้อนมารับมากินเลี้ยงกันบ้านเราก็จะเป็นการสู่สู่ขวัญฟูแขน มาจะค้าคารใหม่ก็เลยคุยกันเป็นไงท่านไปค้าคานมาครั้งนี้พอได้กําไรดีงามไหมก็เลยบอกไปว่ากําไรงานมากเราได้กําไรงาน ม, มากเราซื้อผ้ามาสามผืนแล้วจะถวายพระราชาเพื่อก็เลยถามว่าเพื่ออะไรเพื่อบุญปฏิทถนาบุญปฏิทินากุศลพวกเศรษฐีพ่อขาเหล่านั้นเขารู้จักสิ่งจะทําก็บอกว่าทําไมท่านคิดอย่างนั้นถ้าปราทินาบุญปฏิทินากุศล นูนประวายพระเนะาะใครบอกพระพุทธเจ้าบอกยเยเตสมาณภามนาปาติวิเรตามัทธปมาทาเอกสมนติเอกันตะเสมติเอกันตะปลิภานะเยนติปลิภานะเป็นติ